สำหรับวันนี้มาพกบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องสองของสุวรณสามสำหรับท่องเรื่องห่างสุวรณสามนี้ความจริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงปรารภความกตัญญูรู้คุณเป็นสำคัญท่านที่บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านหรือว่าคน ท, ทั่วไป คิดว่าคําสั่งส อ, ง อ, องสนพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศัสดิ์าที่เราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าสูงเกินไปไม่เหมาะสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทชาวโลกที่เยือพึงปฏิบัติความจริงเรื่องนี้ไม่จริงพระพุทธเจา้าสอนคนตั้งแต่เด็กแล้วก็แสวงหาความสุข ในชีวิตถึงความเป็นมนุษย์ถ้าหากว่าใครต้องการจะเป็นเทวดาหรือพรหมจะปฏิพภาณพระพุทธเจ้าก็มีความรู้สอนแล้วก็ยังชี้ช่องบอกทางถึงคนที่อยากจะเป็นสัตว์นรกอยากจะเป็นเ ป, นเปนรตแปลศัลยกายอยากจะเป็นสัตว์ประหลาดแล้วก็ยังแนะนําว่าคนเราถ้าเกิดมาต้องการความดี ในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่ดีก็มีอยากจะรวยอยากจะจนอยากจะมียศถาบรรดาศัก์อยากจะมีอะไรความรู क, ้ในพระพุทธศาสนามีหมดสมเด็จพระบรมสุคต์ไม่ได้สอนให้คนจะต้องตั้งหน้าตั้งตาไปสวรรค์ปณิพันธ์ด้วยกันทั้งหมด เป็นอันว่าหลักสูตรในพระพุทธศาสนานี่มีทุกอย่างมีทั้งในการครองชีวิตในฐานะที่เป็นชาวชาวบ้านธรรมดาแล้วก็สแสวงหาในด้า้ขงความสุขแบบชาวบ้านชาวบ้านอย่างเรื่องของสวรรณสามนี่พระพุทธเจ้าทรงปรารรความกตัญยูรูคค้คณที่บุตรควรจะรู้คุณบิดามันดา และก็ความซื่อสัตย์สุจริตความรักระหว่างบิดามารดากับบุตรอย่างนี้เห็นว่าเป็นการเกินวิสัยของมนุษย์ธรรมดาที่จะปฏิบัติได้ไหมเรื่องนี้พระพุทธเจ้ายังไม่ได้สอนผพานเรื่องที่องค์สมเด็จพระพยิตมารส่งสอนเพื่อให้ความอยู่เป็นสุขในชีวิตนมีเยอะ เหมือนไวแต่ท่านผู้พูดจะไม่ได้ศึกษาเท่านั้นแต่ความจริงต้นเรื่องของทศชาตินี้มีอยู่ทุกเรื่องแต่ว่าท่านผู้ลอกเอามาลืมไปหรือว่าตั้งใจทิ้งเมื่อตอนทายเขาถ้ามีลงทายไวท่านผู้ลอกมาก็ลืมไปหรือว่าตั้งใจทิ้งก็ไม่ทราบ ถ้าจะมาก็ไม่มีโอกาสที่จะมีไปหาทางค้นความมาได้อะไรพอจำได้ก็มาพูดกันวันนี้ก็ขอเริ่มเรื่องในเรื่องของสุวรรณสามท้องเรื่องบางทีท่านจะคิดว่าอาจจะเป็นนิทานแล้วคนนี้ก็แต่งขึ้นก็ตามใจเธอ เรื่องนี้ไม่สําคัญสําคัญอยู่ว่าเหตุผลพอหรือไม่เราฟังกันเพื่อเหตุเพื่อผลแล้วก็การนําไปประพฤติปฏิบัติมันจะดีหรือมันจะชัว่วการฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเขาทํากันแบบนี้ก็มาคุยกันต่อไปเรื่องข้อส่วนที่สามนี่ต้นเรื่องจริงๆหนังสือนี้ไม่มีน่าเสียดาย อยไปค้นคว้า ม, มาให้เล่าให้ฟังกลธมบากแต่ว่าต้นเรื่องแท้ๆนะมีอยู่ใ น, ในพระธรรมบทก็้ย่องไปว่าพระตอนข้ามาหาชนกเสร็จแล้วตอนนี้ขอเริ่มเรื่องกันเลยท่านเลนะ่ามีความท่องเรื่องขอท่านมีอยู่ว่าในอดีตการท่านกล่าวว่าในการก่อนโน้น หมายถึงว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติมีนามว่าสวนรณสามท่านบอกว่ามีในพรานอยู่สองสหายสองคนื่อพรานสองสหายมีความรักใคร่กันมากมีบ้านอยู่ตรงกันข้ามคนลฝั่งแม่น้ำ คือคนนี้อยู่ฝั่งนี้คนโน้อนอยู่ฝั่งโน้นสหาขายี่สองเขามีสัญญากันว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีลูกสาวหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีลูกชายจะให้แต่งงานกันเรื่องนี้ความจริงตอนนี้อย่าจำก็แล้วกันถ้าจําไปแล้วก็อย่าปฏิบัติตาม เว่าลูกที่เกิดมาเนี่ยมันไม่ใช่ตุกตามันมีชีวิตจิตใจแต่ทว่ารานสองคนนี่มีความรักกัน mm. ก็เลยตั้งการต้องการให้ลูกแต่งงานกันเสียจะได้เป็นฟา ง, เ ป, ฟงเป็นฟ้าร่วมหอรงลงกันถือว่าเป็นญาติสนิทนี่เป็นความคิดของท่านรานทั้งสอง เรื่องของพรานนี่เราก็ต้องยกให้ทันเพราะว่าตั้งฆ่า ส, สัตว์ต่อชีวิตจีเป็นปกติท่านไม่ได้นึกถึงความสุขแลอความทุกข์ของสัตว์เมื่อคนและสัตว์ก็มีความรู้สึกเหมือนกันคือเกลียดทุกข์แล้วก็อยากจะได้สุขความสุขแห่งชีวิตความสุขแห่งความเป็นอยู่ใครๆก็ต้องการ แค่พัก็มีความรู้สึกคืออย่างเดียวว่าฉันฆ่าสัตว์มาได้ฉันขายให้ฉันกินมีความสุขอาการอย่างนี้ขอลูกหลานที่รักถ้ากำลังฟังอยู่ด้วยแล้วก็อย่าจํามาไปนะมันเป็นความเลวการทําลายชีวิตสิ่งใดกันไม่ได้สัตว์ตัวเล็กๆเราก็ไม่ควรทำเพราะเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันเขาก็รักความสุขของเขาเหมือนกัน อย่าถือว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆและตัวใหญ่เป็นกีฬาของชีวิตถามว่าเขาจะมาฆ่าเราบ้างเราจะมีความรู้สึกยังไงขอเล่าเรื่องกันต่อไปขั้งการต่อมาสหายฝ่ายหนึ่งคือพรายงคนหนึ่งมีโลกเป็นชายแล้วก็ตั้งชื่อว่าทุ ก, กูลกุมารจะไม่มีนะ ทุกูละกุมารอีกฝ่ายหนึ่งมีลูกสาวให้ชื่อว่าปาริกากุ ม, มารีผู้ชายเข า, มมารียกกุมารถ้าผู้หญิงก็ลงอีปจัจจัยเป็นกุมารีสแสดงว่าความเป็นผู้หญิงเป็นนั้นแลฝ่ายหนึ่งมีชื่อว่าทุกูลกุมารอีกฝ่ายหนึ่งมีลูกสาวให้ชื่อว่าปาริกากุ ม, มารีนี่ชื่อสวยๆนะ นั้นสำรับเด็กหญิงและเด็กชายทั้งสองมีรูปร่างงดงามน่ารักถึงแม้ว่าทั้งสองจะเกิดในแต่คุณูวเรลี่แต่ก็ไม่มีเจตนาจะทำบาปกรรมคือไม่ต้องการจะฆ่าสัตว์ชีวิตนี่เห็นไหมละ่ะพ่อกับลกูกแม่กับลกูกย่อมจะมีจิตไม่เสมอกันได้ เป็นนั้นว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยไม่มีความปรารถนาในการทำปาณาทิบบัยฆ่าสัตว์ชีวิตมีแต่จิตเมตตาปราณีแล้แถมเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เช่ด้วยศีลบริสุทธิ์ก็คือศีลห้าบางทีก็รักษาศีลแปดสำหรับศีลนี่ลูกหลานที่รักเป็นความดีเขาจํจำมาไว้ สีลข้อที่หนึ่งที่ก็ห้ามฆ่าสัตว์สีนี่าเาแปลว่าปกติใหจจำให้ดีนะลูกหลานเล็กๆมันที่เห็นผู้ใหญ่บอกรักษาสีนมันนำบากแต่ความจริงสีลนี่เราต้องการสีนแปลว่าปกติที่พระพุทธเจ้าแนะนำว่าข้อที่หนึ่งจงยาทำร้ายทาร่างทำร้ายร่างกายเขา อยกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เพราะว่าเรากับเขามีความรู้สึกเหมือนกันเราไม่ต้องการให้ใครเข้ามาทำร้ายเราเขาก็ไม่ต้องการให้เราไปทำร้ายเขาแต่แทนที่จะทำร้ายซึ่งกันและกันให้สร้างความรักความสามคัคคีรักกันสงสารกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายก็มีความสุข ถ้าเราชกเขาเขาก็ชกเราเ้าด่าเราด่าเขาเขาก็ด่าเรามันจะมีความสุขยังไงสู้เรามานั่งรักกันช่วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันดีกว่านี่สิ่งข้อที่หนึ่งสิ่งข้อที่สพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าลักอย่าขโมยขอทรัพย์สินของใครคนนะั้นมันเป็นของไม่ดีถ้าเรารักเรากขโมยเขาเขาก็เกลียดเรา นี่ทรัพย์สิงของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยเราก็จงอย่าไปลักอย่าไปขโมยของของเขามันจะได้ไม่มีศัตรูนอกจากไม่ลักไม่ขโมยแล้วถ้าเพื่อนของเราเขาอดอยากขาดแคลนถ้ามีอะไรพอจะให้ได้ลรวก็ให้เราจะได้เป็นที่รักของเขาเขาก็รักเราเราก็รักเขาสิงข้อทีสารพระพุทธเจ้าบอกว่าจะยื้อแย่งความรักของคนอื่น ที่ว่าเป็นชู้ลูกเขาเมียใครผัวใครเมียใครนั่นแหละถ้าคนที่เรารักคนมาอื่นมาแย่งเราก็โกรธเราไปแย่งคนรักคนอื่นเข้าเขาก็โกรธมันก็มีศัตรูมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราเว้นเสียก็เป็นที่รักของเพื่อนศิ้นข้อที่ห้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารตงตัิว่าจงอย่าพูดปดคือ เ, เรื่องไม่จริงนะอย่าพูด พูดตเรื่องจริงไม่บ่นแต่ เ, เรื่องเล่านิทานอย่าพูดคําหยาบอย่ายุยงให้เพื่อนแตกกันอย่าพูดวาจาที่ไร้ประโยชน์ถ้ารักษาสัจจะตามนี้ได้เราก็เป็นทีรักษของทุกคนข้อที่ห้าท่านบอกว่าอย่าดื่มสุราเมีไรคนดื่มสุราเมีไรในข้าคุเข้าตารางอยู่เสมอ ถูกเขาฆ่าบ้างถูกาตีบ้างนี่มันเป็นเป็นเป็นเป็นันนนจจัยของความทุกข์ฉะนั้นบรรดาลูกหลานทั้งหลายเล็ ก, ลกๆที่กาลังฟังอยู่ก็จงจำเอาไว้ปฏิบัติการเห็นผู้ใหญ่ทำลายศีลจงอย่าคิดว่าผู้ใหญ่คนนั้นเป็นคนดีเขาก็ช่างสร้างความชั่วถ้าเราไปทาตามเขาเราก็จะชั่วตามเขา แต่ถ้าว่าถ้าผู้ใหญ่คนนั้นเป็นบิดามันดาของเราเห็นว่าท่านฆ่าสัตว์ตชีวิตท่านลักท่งกมยเขาท่านชอบเป็นชู้ผัวเขามียเขาท่านชอบชอบโกหกท่านชอบดื่มสุรามีรเราเห็นว่าไม่ดีแต่เราก็ต้องรักท่านเราก็ต้องมีความกตัญญูต่อท่านให้ความเคารพในฐานะที่ท่านเป็นบิดามารดา รับใช้ท่านปฏิบัติท่านให้มีความสุขแต่ว่าจงอย่าปฏิบัติตามท่านในขั้นในด้านของความเหลวดูตัวอย่างเด็กชายสองเด็กชายกระเดียกจริงสองคนคือทุกุลกุมารพระปาริกากุ ม, มารีพ่อแม่เป็นพรานฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่รูปกับไม่ทำแล้วมีศีลบริสุทธิ์นี่น่ารักจริงๆ ถ้าทุกคนปฏิบัติได้ตามที่กล่าวมาแล้วถึงจะเป็นที่รักของคนอื่นมากเพื่อนก็รักพ่อแม่ก็รักใครๆก็รักไปที่ไหนหาคนเกลียดไม่ได้เป็นคนมีเสน่ห์ดันั้นาการที่จะหาหมอเสน่ห์มาทำเสน่ห์ให้คนนั้นรักคนนี้รักไม่ต้องไปหาไม่มีความจำเป็นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาผู้นั้นหรือว่าเราคนดี ไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปหาคาถาเสน่ห์คาถามมหาเสนนะ่ห์นั้นได้มาเท่าไรก็ตามถ้าเราไม่ดีสัอย่างเดียวคาถาและสิ่งเสน่ห์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เขาบอกว่านี่เป็นเถิดกุศเมตตาเป็นมนมนต์มหานิยมเราไปรับเถิดกุศมาเราไปรับต้มนมาน้ำมันด่าชาวบ้านใครก็จะรัก สู้เราส่งความดีห้าเรัจการหนึ่งจิตใจไม่โหดร้ายสองไม่มือไวสามไม่ใจเร็วสี่ไม่พูดปดห้าไม่หมดสติกาได้ก็ไม่ฆ่าไม่โหดร้ายก็ได้การไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทําร้ายเขาข้าวสัตว์หรือคนก็เหมือนกันไม่มือไวไม่ลักไม่ขโมยใครไม่ใจเร็วคือไม่ยื้อแย่งความรักของเขา ไม่พูดปดคือไม่พูดความจริงไม่หมดสติเพราะการกินเหล้าเมายาเนหมดสติสมัญญาเวลานี้เฮโรอินมีมากไม่ดีนะลูกลักหลานลักท่องไว้ดีนะเราจะเป็นคนดีเราไม่เป็นคนโหดร้ายเราไม่เป็นคนมือไวเราไม่เป็นคนใจเร็วเราไม่เป็นคนพูดปดเราไม่เป็นคนหมดสติ ห้าอย่างนี้ถ้าทำได้เป็นที่รักของคนทั้งโลกคุยเรื่องนี้ต่อไปเมื่อเด็กทั้งสองเจริญวัยโตเป็นหนุ่มเป็นสาววัยประมาณสิบหกปีควรจะแต่งงานกันได้แล้วถือว่าสมัยนั้นก็ถือว่าคนที่มีอายุสิบกปีนะมันเป็นประเพณีที่ต้องแต่งงานกัน ในเวลานี้เราพวกเรายี่สิบปียังเรียนอยู่น่ากวรจะแก่ไปนิดละมั้งแต่ ว, ว่าสมัยนั้นเ้าไม่มีการศาึกษาเหมือนสมัยเราเราเรียนแค่มันรู้หา ง, งานห้าธรรมหวังการครองชีพได้เท่านั้นพอแต่ ว, ว่าสมัยนั้นพ่อแม่เขาเป็นพรานนี่ไม่ต้องศึกษาอะไรมากเขาศึกษาวิ่งค่าสัตว์ตัชีวิตแต่ลูกแมวด้วยแต่พ่อแม่ทั้งสองคนก็ไม่ว่าต้องสองฝ่าย เมื่อลูกไม่ทํามื่อความรักลูกครูรไม่ฆ่าสัตว์ตชีวิตลูกต้องการนักษาศีลพ่อแม่ก็ตามใจดังนั้นขอท่านที่เป็นบิดามันดาของเด็กทั้งหลายก็ต้องควรจะดูตัวอย่างกันสองคนเรื่องลูกสาวลูกชายหน้ามนของท้องทั้งสองท่านไม่ปฏิบัติตามท่านฆ่าสัตว์ลูกไม่ฆ่าสัตว์ท่านก็ไม่ว่าอะไร โรกใหญ่รักษาสิ่งก็รักษาไปขอให้เป็นคนว่านอนสอยง่ายคืออยู่ในว่าที่ดีก็แล้วกันเป็นนั้นว่ามาเด็กทั้งสองมีวัยเจริญแล้วสคนจะแต่งงานได้ตามระเพณีในพรานทั้งสองเสียหายจึงได้ตกลงทําสัญญาหรือว่าปฏิบัติตามสัญญาที่ให้กันไว้ไป่ายวิดามารดาของกุฏคู่คและขุมมัน ยังได้บอกกับลูกชายว่านี่ลูกรักเวลานี้พ่อกับแม่ยุ1ิหกปีสมควรที่มีคู่ครองแล้วนะพ่อกับแม่จะไปสู่ขอลูกสาวเพื่อนกันฟังโน้นเอามาให้สำหรับท่านลูกชายคือกูกุทุ ก, กูแลกูมานเมื่อฟังพ่อฟังแม่บอกจะให้มีเมีย เธอเอามือั้งสองก็มาปิดหูหมายความล้วไม่อยากฟังนี่แสดงการอย่างเด็กเพียงแค่ยุสิบหกปีและก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ ร, รับลูกเนี่ยไม่เคยคิดจะแต่งงานเลยขออย่าได้พูดเรื่องแต่งงานให้ลูกฟังเลยนี่แสดงว่าเธอไม่ต้องการการแต่งงานความจริงเวลานี้ ถ้าเป็นเวลานี้นะถ้าลูกหลานทั้งหลายที่กำลังศึกษาเราเรียนอยู่ยังไม่จบยังไม่มีทางหาอะไรไ ด, ได้น่าจะคิดเหมือนเหมือนกับทุกข์ูรคกภมานี่นะแต่ว่าไปคิดการแต่งงานเขาเรื่องมันวุ่นดีเมนดีกกำลัง อ, อ่านอ่านหนังสือหน้าคนรักโกกขึ้นมาซะแล้ว แค่ว่ากำลังฟังครูสอนย่องไปเห็นหน้าคุณลักเข้าโดยไม่รู้เรื่องสอบตกเป็นนั้นว่าเมื่อลูกชายพูดอย่างนั้นท่านมอท่านพ่อกับท่านแม่ก็พยายามที้แกงเพราะเรื่องนี้เนี่ยพ่อกับแม่ในตกลงเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเจ้าเกิดเจ้าจะปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าถ้าคืนปฏิเสธ พ่อเองก็อย่าเสียสัจจะเป็นนังกูแล้วทุกูแลกุมารก็ยังยืนยันว่าไม่ต้องการจะแต่งงานฝ่ายวินามันดาของนางนางสาปาริกากุ ม, มารีก็บอกรัูกสาวเหมือนกันมาลูกรักพ่อกับแม่จะยกลูกให้กับลูกชายของสหายฝั่งโนน ถ้าลูกชายเขาเป็นคนดีตัวเขาก็เป็นคนดีลูกชายของเขาก็มีรูปร่างหน้าตางดงามองอาจสูงผายมีความสง่าปราเปยเป็นคนมีศีลมินธรรมมีธรรมเหมือนลกูกสมควรที่ลูกจะแต่งงานกับเขาฝ่ายเจ้าสาวก็บอกว่าปาริกากุ ม, มารีเขาก็ยกมยเปิโหูไม่กันบอกก่าท่านพ่อท่านแม่ มันบอกว่าไม่อยากจะแต่งงานเหมือนกันนั่นก็แปลกนะเพราะว่าเป็นเรื่อง แ, แปลกๆทั้งนี้แปลกมากเป็นน้ำว่าเรื่องนี้ผ่านไปถึงแม้ว่าลูกหญิงและลูกชายทั้งสองฝ่ายจะไม่ประสงค์ในการแต่งงานแต่บิดามารดาเขาต้องสองฝ่ายก็จะจําเป็นที่จะต้องจัดการแต่งงานให้ได้ ก็ไม่เช่นนั้นมันเป็นการเสียสัญญาเสียสระจ้ญญาที่ให้ไหว้ซึ่งกันและกันเป็นอันว่ากุมารและกุมารีทั้งสองก็ต้องแต่งงานกันแต่งงานแล้วก็อยู่ร่วมกันแล้วการอยู่ร่วมกันก็หมายถึงว่าการอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน แกก็ไม่ได้มีการร่วมประเพณีประเพณีอย่างสามีตามธรรมดาต่างคนต่างมีความคิดตรงกันว่าการตองทุกคนต้องการปฎรถนายจะบดแทนที่กจะอยู่ร่วมรักร่ำรอดกันอย่างสามีพัญญาธรรมดาธรรมดาแกไม่เอาด้วยแกอยากจะบดที่จะฝ่ายเดียว จึงได้ดำความทั้งหลายเหล่านั้นนำเนื้อความที่บอกต้องการจะบวชไปให้เดวิดา ม, านามดาันดาฟังนีดามันดาก็เห็นว่าเมื่อบุตรของตนเกิดในตระกูลพรานแต่เกิดมาแล้วก็ไม่ยอมฆ่าสัตว์ตามพ่อแม่ไม่มีงานอะไรจะทำงานอย่างอื่นนอกจากการฆ่าสัตว์แต่กุลครานไม่มี เมื่อรูปต้องการจะบวชก็ไม่เป็นไรอ น, นุญาตให้บวชเขาก็บวชขั้นพ่ทั้งเมียพ่อเมียในนาม่ายกุ ม, มารีเมื่อได้ขอรับอนุญาตจะให้บวชเช่นน้พากันเอางี้ก็ะทั่งสองคนนะขอโทษเมื่อกี้อ่านพาดไปทั่งสองคนสา ม, มีพัญญาเมื่อได้รับอนุญาตให้บวชเช่นน้พากันเดินทางไปไป่าหิมมวันตะประเทศ ฟังในน้ำคงคาได้เห็นอาสมหลังหนึ่งจึงพากันเข้าไปไปอาศัยในาอาสมนั่นแล้วเห็นเครื่องบริขารของบรรพชิตมีอยู่พร้อมนี่ก็เป็นเรื่องเนทะวดาลูกหลานที่รักเทวดานะีมีจริงๆนะเป็นบริขารที่บริจาคให้แก่ผู้ใคจ่จบวกตามเรื่องท่านบอกว่า พระอินาาทรประธานอาสมขึ้นนิรมิตอสมและก็นิมิตบริษัมบริขารขึ้นเรื่องพระอินทร์นื่องเทวดานี่มีลูกหลานที่รักเคยบอกมาแล้วบอกเด็กๆที่เวลานี้เขาเที่ยวสวรรค์เที่ยวนรกนได้เยอะแล้ววิชาวความรู้ในพระพุทธศาสนามีสอนเป็นวัตสสามีมพัญญาไม่เห็นอาสมเข้า เองเครื่องบริขารก็แปลกใจเพราะเอนี่เราตั้งใจจะ บ, บทอยู่ๆก็มีกฎขึ้นมาหลังแล้วก็มีเครื่องแต่งกายเป็ น, นสีแล้วไปดูดู่ากอ๋อมีเขียนหนังสือไว้ว่าเครื่องทั้งสองอเครื่องบริขารนี้สําหรับของคนสองคนหนังสือเขียนไม่ด้วยต่างคนต่างภากาลิฐานเพศเป็นบรรคิต นุ่งห่มผ้าเปลือกไม้สีแดงผ้าหนังเสือบนบา่าผูกบนทนเช่นดาเจริญเมตตาก็มีหารอยู่ที่นั้นผูกบนทนเช่นดาก็หมายความกล่าวเอาผมเนะ่เอาขึ้น ส, งสูงเพราะว่าไม่มีตะกายจะตัดไ ม, ม่มีโกนจะโกนเมื่อผมมันสูวยาวขึ้นมาก็กล่าวมัดไว้บนทิษศร นี่ความจริงการบวชลูกหลานที่รักเด็กๆอาจจะคิดว่าการบวชจะต้องมีอบราชาจะต้องมีคนให้ศีลเรื่องนี้ความเรื่องนี้ไม่จําเป็นสําหรับบวชเป็นดามบวชดามปสินีบวชเป็นชีเป็นเถรนั่นอะไรนี่ไม่มีความจําเป็นต้องมีพระไปให้ศีลใครถามว่าถ้าไม่มีพระจะให้ศีลจะมีศีลได้อย่างไง ก็ต้องขอตอบว่าคำว่าศีลที่เราไปหาพระนั่นเวลานั้นยังไม่ถือว่าเรามีศีลอย่างพระบอกว่าปานนาธิปาตาเวระมณีสิกขาวันังสมาธิยามิแปลว่าเข้าไปเจ้าขอสมาทานสีกขาบทงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ชีวิตอย่างนั้นเป็นการเรียนในการที่มีศีลจริงๆก็คือการปฏิบัติศีล มีศีลครบถ้วนเราเรียกปฏิบัติศีลนี้มันครบถ้วนถ้าจิตใจของเราตั้งไว้าการความมีคนเป็นใจร้ายมือไวใจเร็วพูดปดมสติอันนี้เราไม่ทำเนื่นเราก็ไม่ทำจริงๆอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้มีศีลเรากันต่อไปนิดใก็จะหมดเวลา บรรดาสัตว์ที่อาศั ย, ยบริเวณกใกล้ๆเวลที่นั้นต่างก็มีจิตเมตตาต่อกันโดยเอานำภาพเมตตาของนักบวช ท, ทั้งสองที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีว่ายไม่แว่งซึ่งกันและกันหากินในความมีสุขนี่หมายความว่าคนทั้งสองคนเขามีเมตตาแล้วเพราะศัยความเมตตาความดีของเขานั่นแหละ เป็นเหตุให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายเนะี่อยู่ที่นั้นต่างคนต่างก็ไม่ทะเลาะ ก, กันอีกสัตว์ก็เลยไม่ทะเลาะตามคนไม่เบียดเบียนเสียงกันเลกันตอนมา น, นางป า, ปาริกาดาดาบสินีนะดาปัสินีฤาษีผู้หญิงทำหน้าที่สวังหาอาหารคือผลไม้ทั้งน้ำใช้น้ำกิน แล้วก็ทำความสะอาดเหมะสมเสร็จแล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมด้วยจิตอันสงบธรรมาสมนธมสมณธรรมนี่ก็ททำสมาธิที่เขาเรียกว่าจเจริญสมถรรมิปัสนา น, นั่นแหละตัดอารมณ์เดือดร้อนให้หมดสิ้นไปไหมายความว่าใจมันเป็นสมาธิจิตนก็สงบอารมณ์ก็สบายอยู่มาวันหนึ่งเ ท, ท้าสกัดเทวราชคือพระอินท์ ในพิจารณาเห็นอันตรายอันจะเกิดแก่บรรดาดาบทบันอเนศรีผู้หญิงผู้ชายทั้งสองเห็นว่ากรรมเดิมที่ทํามาในอดิตจะเป็นปัจจัยให้ตาเขาทั้งสองคนนี้แตกจะมืดมิดไม่ใช่ตาแตกแต่มื่อตาบอดจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาท่านเนศรีผู้หญิงผู้ชายทั้งสอง ถวาวรนมัสการนัตถุวะฆ่าแต่ดาบหมดเพราะว่ า, า, เ, า, า, วาเจ้าเล็งเห็นเป็นแน่ชัดว่าอันตรายจะเกิดมีแก่ท่านนางสองขอท่านนางสองจงมีบุตรเพื่อจะได้ปฏิบัติท่านให้ได้รับความสุขในเวลาที่ยามมีความทุกข์เวลาตาไม่เห็นอรบรรดาลูกหลานที่รักอรบันดาท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายผู้รับฟัง มองดูเวลาก็สิ้นเวลาไปยี่สิบแปดนาทีพอดีถ้าต้องขอลาก่อนสำหรับวันนี้ต่อไปฟังใหม่ข้อความสขสวัสดีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ผลจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักสวัสดี